ด้วยกันอยู่ด้ยกันแล้วย็เดือดร้อนแตเดี๋ยวก่อนโกงกันทั้ง วันนี้วนมาสามเจียวพอโมสองเจียวีสามเจียวท่เาเข้ามาวันที่นที่ห้ามายวันวันที่สองมายคือกลัดประสงค์จากนั้นเขเริ่มเลือกเลยลพระพุทธเจ้าเป็นพูดขึ้นไหลเราถึงได้กล่าเราถึงได้คารมมอบกายวาจาใจตลอดชีวิตไว้กับพระพุทธเจ้า เราเป็นชาวพุทธเวลาเขาถาม ถ, ามถึงพระพุทธศาสามทึมาถึงถามที่ศา ส, สนาว่าทึ้งศาสนาอะไรเราจะตอบทันทีว่าเราทึงศาสนาพุทธถ้าพุทธนั้นเป็นอย่างไรจะไม่พ้นความติดเขานะจากนั้นอธิบายพระพุทธก็คือผู้หิเศษศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าโลกทั้งสาม โลกทั้งสามเป็นไปด้วยกิเลสอาจจะว่าครอบงำกิตใจเป็นหมอยของกิเลสทั้งหนําถ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายหมอกิเลสจะไม่ให้พิเศษได้อย่างไรทั้งสามโลกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสแต่พระพุทธเจ้าดินหมอกิเลสแยียย่ํำธนายกิเลสแหลกไปหมดเป็นผู้พิเศษ ความเมื่อสุดในพระไทยคือความประเสริฐแห่งพุทธะผู้เป็นพุทธะด้วยความเมื่อสุดใจแล้วนั่นเองคือพระพุทธเจ้าประกาศธรรมสอนโลกก็ไม่มีใครจะประกาศธรรมจะประกาศสอนได้ทั่วทั้งสามโลกธาตุมีเหมือนพระพุทธเจ้า เราจะเห็นว่าใครเป็นผู้ชาเหนือพระพุทธเจ้กในโลกทั้งสามนี้สามารถประกาศทมอย่างถูกต้องแม่งยำทุกขั้นแห่งธรรมไปคำว่าธรรมที่ท่านประกาศสอนโลกนั้นเป็นกิจยาออกมาจากธรรมแท้ที่มีอยู่ในพระไทยมซึ่งบริสุทธิล้วนๆและประสริฐสุด ใจเป็นผู้เป็นภาชนะส่งไว้ชิงทำประเภทนั้นทำประเภทนั้นกับใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นของประเสริฐทำประเภทนั้นเราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ด้วยการนเพราะไม่ใช่ด้านวัตถุถ้าหากว่าทำในพระทยของอุปัชฌาย์นั้นเป็นสิ่งที่เป็นเป็นด้านวัตถุ เช่นเป็นสินค้าประเภทต่างๆนำออกมาจำหน่ายให้โลกในนำไปใช้เหมือนกอันสินค้าทั้งหลายแล้วสินค้าทั่วโลกนี้จะแตกกระจายล้มละลายไปทันทีไม่มีสินค้าใดที่จะนิเศษสัพพิ เป็นที่ต้องการต้องเนื้อต้องใจต้องหูต้องตายิ่งกว่าสินค้าคือถักสินค้าทั้งหลายเหล่านั้นจะต้องล้มละลายไปในในขณะเดียวไม่ว่าตัดว่าบุคคลจะหลั่งไหลเข้ามาคือสินค้าประเภทแห่งธรรมนี้ทั้งหนังไม่มีใครสนใจ สินค้าทั้งหลายที่เคยสนใจมาก่อนนั่นแหละนี่ความมีคุณค่าความที่ถูกเนื้อต้องใจของลูกค้าทั้งหลายนั้นธรรมะเป็นขนาดนั้นหากสามารถผิดให้ออกมาให้เป็นด้านวัตถุกได้เหมือนสินค้าตัวตัวปัดจะผิดออกมาเป็นคณิดใดอันใดก็ตามจะเป็นของประเสริฐทั้งนั้นไม่มีชิ้นใดส่วนใด แห่งสินค้าธรรมนี้จกเม่เป็นที่ต้องเนื้อต้องใจของประชาชนตลอดถึงสัตว์ทั่วไปจะเป็นสิ่งที่ต้องใจทั้งแต่ธรรมชาติอันนี้ไม่สามารถับผลิดออกมาได้เหมนนั้นมีปรากฏอยู่กับผู้ที่ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระเจ้าที่ทรงแสดงเป็นอาการออกมา เ็นแสดงมาทางเหตุเหตุดีเหตุชั่วสอนเรื่องให้รู้เรื่องบาปเรื่องบุญซึ่งเป็นความผิดความถูกและสอนให้ละบาบปบำเพ็ญบุญนี่เป็นกิจยาแห่งธรรมไม่ใช่ตัวทําอย่างแท้จริงแต่ให้ดําเนินตามหลักที่ทรงสอนนี้ซึ่งเป็นเส้นทิทางเลยเพื่อเข้าสู่ธรรมอันแท้จริงเมื่อปเพื่อปฏิบัติตาม เข้มคิดทางเดินคือธรรมที่จะไม่ชอบแล้วนี้จะได้สัมผัสธรรมอันแท้จริงภายในจิตใจเพราะธรรมแท้มีใจเท่านั้นเป็นผู้รับทราบเป็นผู้สัมผัสตั้งแต่ธรรมขั้นต่างถึงขั้นสูงสุดที่มรดพณิทานและนอกเหนือไปจากเหตุอันดีนี้ไม่ไดั สมบัติพระสงค์ก็คือผู้สิ้นกิเลสแล้วด้วยความตะเกียบตะกายตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าโดยทางปฏิปทาจึงสามารถหลุดพ้นสิ่งที่ตำท้าเร็วชาทั้งหลายซึ่งมีอำนาจเหนือจิตซึ่งเคยมีอานาจเหนือจิตใจบางบคับจิตใจนั้นออกไปโดยที่เชิญเสียได้ กายเป็นผู้ศักดิ์สิิเศษขึ้นมาเนี่ยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นธรรมชาติที่แปรจากโลกมากอย่างนี้เอโลกไม่มีโลกใดจะเสมอด้วยพุทธธรรมรสงนี้ฉพระนั้นการถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หรือว่าถือพุทธศาสนาจึงเป็นความถูกต้องที่สุดตามติดที่เป็นของแท้ สอพวกนี้ใหเขาสส้าใจตามแต่พูดรู้สึกเช่นคนมากหมุนติ้วติ้วติ้วติ้วนี่เรามาพูดดังนัง้นมันอะไรนะเป็นกาเรเล่าอ น, นิทานไปการเทศน์นี่แต่พูดออกมาเพื่อสดร้อนๆมันเป็ น, นกําลังออกมาเป็นจากกําลังของจิตกําลังของธรรม ฟังเทศนม่ฟังเราเป็นนักบวชเป็นผู้มีโอกาสตลอดทียาบคือทุกทุกอียาบที่จะบังเพ็ง จิตใจของเราทำละสะสามจิตใจอบรมจิตใจทำละสิ่งไม่ดีซึ่งเป็นเครื่องกดท่วงจิตใจให้น้อยลงนีะหมดไปโดยลำดับเรามีโอกาสมากมีเวลามากนี่จะเรียกว่าเราได้เปรียบชาวบ้านก็ถูก แต่ไม่ได้มีเจตนาจเจ้าและอาเปียผู้ใดเพราะการปฏิบัติธรรมไม่มีการกระทบกระทืนกันเป็นเจตนาที่บรสเราพึงเห็นโอกาสของเราที่ได้มาบวชในพระพุทธศาสนาว่าเป็นโอกาสอันเหมาะสม อ, อย่างยิ่งงานของเราก็เป็นงานที่มีคุณค่ามากยิ่งกว่างานใดในโลก ผลที่จะพึงได้รับจากงานที่ทำของเรานี้ก็เป็นผลที่ถึงปรารถนาอย่างยิ่งหากเราไม่ินดีในงานนี้คือการบังเพลนการประพฤติปฏิบัติกรรมจัดวิริยด้วยจิตติภาวนาเขาเรียกว่าเราคลาดจากโอกาสลืมเนื้อลืมตัว ลืมหน้าที่การงานของตัวเห็นงานอย่างอื่นเรื่องอย่างอื่นดีกว่าเรื่องที่ดีเห็นสิ่งที่ไม่ดีว่าเป็นของดีเสียคือว่าจิตนี้มีความรู้สึกหรือมีความนึกผิดดีเกี่ยวกันกับปีนปีนเกี่ยวกันกับธรรมของพระพุทธเจ้า ในขณะเดียวกันก็เรียกว่าเป็นคาาศึดของธรรความคิดใดที่เป็นการสังสมกิเลดขึ้นมาจะเป็นประเภทความโลภความโกรธความหลงราคะตันห า, า, าแน่นอนก็ต่างให้พึงทราบว่าความคิดประเภทนั้นเป็นประเภทที่ทําลายศาสนาหรือทําลายตัวของเราศาสนาคือ เราเป็นผู้รักษาการทำลายก็คือเราเป็นผู้ทำลายผลเกิดขึ้นจากการทำลายก็คือเราเป็นผู้จะได้ร้าเพราะฉะนั้นจึงต้องสังรวมระวังตนอย่างยิ่งฝืนต้องฝืนกันฝื้นให้สุดขีตสุดใจฝืนต่อสู้กับกิเลสพอได้คล้อยตามกิเลสเชื่อกิเลส ประเภทต่างๆโดยไม่มีความสำนึกตัวเลยว่าเป็นกิเลสเป็นข้าศิแก่ตัวนั้นมาเป็นเวลาานแล้วเวลานี้เราได้มาศึกษาอบรมธรรมะเป็นเครื่องที่แจงเป็นเครื่องทดสอบดินดันซึ่งกันและกันได้แล้วว่าธรรมเป็นของกระสือกิเลสเป็นของต่ําข้าหรือต่ำหมายว่าหมักหมมอยู่ภายในจิตใจของเรา ไม่ว่าจ ะ, ะแสดงกิริยาออกมาทางความคิดความตุงมการพูดการจากการกระทาเป็นสิ่งที่ตทำช้าหรือทมด้ยวยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้ปฏิบัติศาสนาเป็คือรักษาจิตใจปฏิบัติจิตใจเราจึงต้องมีความเข้มงวดวดขันต่อการระวัง สวนมากก็คือระวังใจของเราเองมากกว่าจะไประวังภายนอกเพราะใจเราเมื่อได้สัมผัสกับสิ่งภายนอกด้วยอัจฉระภายในคือตาหูจมูกริ้งกายตับเยียวโยงกันกันกบอัจฉระภายนอกคือรูปเสียงติ่นรถเครื่องสัมผัสแล้วจัตรุง ที่ปรุงขึ้นมาในแง่ต่างๆซึ่งส่วนมากเราอยากจะพูดว่า 99% มันเป็นเรื่องของกิเลสการสะสมกิเลสทั้งนั้นหรือการส่งเสริมกิเลสทั้งหมดถ้าไม่มีสติจริงๆเป็นตปได้ทั้งร้อยปเ็ในวันหนึ่งคืนหนึ่งยืนเดินนั่งนอนเอียบบทนึ่ง เราจะไม่รู้สึกตัวเลยว่าเราได้ส่งเสริมกิเลสให้มีกำลังทํานายรมที่เราต้องการอยู่มันทุกๆขณะแห่งความคิดตุงของจิตซึ่งเป็นไปด้วยอำนาจของกิเลสประเภทต่างๆโดยอาศัยอาจนระสัมผัสกันโดยอาศัยธรรมา ร, รมณ์ซึ่งได้มาจากการสัมผัสแล้วเป็นอติตารมณ์เข้ามาสุ่นคิดหรือคิดตุงต่างๆอยู่ภายในใจ ได้แทนที่จะมีความผ่องใสขึ้นก็กลับกลายเป็นความข่อหมองยิ่งขึ้นถาขาดความนะมัดระวังโบยสติเพราะฉะนั้นความเพียนใดก็ต า, ามไม่เหมือนความเพียนที่จะพยายามรักษาจิตและพยายามกำจัดสิ่งไม่ดีทั้งหลายซึ่งมีภาจิตออกไป และพยายามรักษาไม่ให้จิตเข้าไปออกไปกว้านเอาอารมณ์ต่างๆมีรูปเสียงถึิ่นรเป็นต้นเข้ามาทำลายจิตใจหรือเข้ามาเพิ่มทิเลตที่มีอยู่แล้วให้กำเนิดอีกงานนี้เป็นงานสำคัญสำหรับนักบวชรับพระะ้อจริงต้องต่อคู่กันอย่างสุดฤทธิ์สุดเดชสุดกำลังความสามารถ สุตติตัณยาที่จะต่อคู่ได้นั้นชื่อว่าเป็นผู้เชื่อธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ต้องการนักปณิธานอย่างแท้จริงถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเราจะต้องแพ้กิเลสไปเรื่อยๆโดยเราเข้าโดยที่เราเข้าใจว่าเราประกอบความเพียรเพื่อชำระกิเลสมันจะสวมรอยกันเข้ามา โดยที่สติปัญญาเรารู้เท่าไม่ทันไม่ถึงกาไม่รู้เท่าทันจึงต้องสั่งสมสติปัญญาขึ้นให้พอตัวการระมัดระวังอยู่กับตัวอย่าระวังอันใดมากยิ่งกว่าระวังความกระเพิ่มของจิตที่จะคิดตรงในแง่ต่างๆที่เรียกว่าจิตสแสวงหาอาหาร ความจริงนั้นจิตแสวงหายาพิดมาเผ า, าตัวเองในคิดได้ตรึงเรื่องใดด้วยความชอบใจพอใจส่วนมากจิตในพื้นซึ่งเป็นต้นพื้นนี้มักจะเป็นยาพิดทั้งนั้นเว้นเสียแต่จิตที่มีสติเท่าที่ควรหรือมีสติ ค่อนข้างจะสมบูรณ์และมีสติโดยสมบูรณ์ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วจิตจะผิดแต่อาจแต่ทำทำรักษาทางลึกอพาดฟันที่เลตเรื่อยมายนะมดูแล้วจิตเรายังไม่ถึงขั้นนะั่นนี่แต่ขั้นทำลายตัวดูื่อยความคิดความตรงุงโดยเจ้าตัวเองก็ไม่ทราบทำลายอยู่ในทางจงกลง เดินมีตั้งแต่ก้าวขาเดินกลับไปกลับมานั่งก็มีแต่ร่างนั่งเฉยๆเหมือนหัวต่อแต่จิตรอยอยู่เหมือนบ้าเชื่อขัดอยู่บนอากาศหมุน ล, ล้อยไปตามลูกตามเสียงตามกลิ่นตามรุปเครื่องสัมผัส ต, ต่างๆ แ, แล้วก็กว้านมาเป็นอตีตารมครุ้มคิดอยู่ภายกจิตใจเ้าลนจนอยู่ด้วยอิทธยบาบต่างๆโดยที่ตนเข้า สำคัญมาตนต้กอบความเพียรความจริงเป็นการเพียรเพืเ่อสัมสมกิเลสโดยไม่รู้สุดตัวเพราะถ้าจิตปัญญาไม่ถันคนมายาของกิเลสด้วยเหตุนี้จึงต้องมีความเข้มแข็งในการระวังรักษาจุดที่เราจะต้องรักษามากให้สมให้ถูกต้องเหมาะสมกับธรรมข้อคือจิตจิตเป็นตัวคิดตัวปรุงอยู่ตลอดเวลา ไม่มีการยับยัง้งไม่มีเวลาพักผ่อนตัวเลยนอกจากจะได้รับความสงบจากการภาวนาที่เราบังคับให้จิตสงบด้วยทำบทใดบทหนึ่งแม้จิตจะยังไม่สงบการบริกรรมทำบทใดบทหนึ่งนั้นก็เป็นทำที่จะทำแต่ให้สงบงานของใจถ้าเป็นไปด้วยความบริกรรมโดยความมีสติแล้วเป็นงานแท้ เป็นงานเพื่อใจความสงบอันเป็นผลคือความุกขึ้นมาถ้าปราศจากสติแม่บริกรรมอยู่ก็ไม่เกิดปรยนอะไรเหมือนนอกขุนทองที่ซ่าไปจุดที่รักษาคือใจอย่าลืมมีใจดวงเดียวเท่านั้นเนี่ยกายว่าจะเป็นเครื่องมือจิตเป็นนายกายเป็นบาท วาจายวาจาเป็นเพียงเครื่องมือยรืเป็นบาวเป็นเครื่อง้ช้ของจักรใจเป็นสำคัญจึงควรได้รับการอบรมศึกษาและการน้มัตรำลังู่เสมอเราอยาเห็นสิ่งใดว่ามีความยิ่งมีความประเกิดเลิ่มเเลยยิ่งกว่างานคือการรักษาจักรด้วยสติ ไม่ให้กลิ่นไยมากกระทบกระเทือนอันจะเป็นเหตุให้เกิด ค, ความทุกข์ร้อนหรือพุงสร้างความขานเพิ่มตัวเข้าไปเทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์เพราะเราทํางา น, นเราจะถือความทุกข์ความลําบากในการประกอบการงานที่ชอบนี้มาเป็นอุปสรรคจากก้าไปใน่หรอกหรือก้าไม่ออก โค ก, ก็ยอมทุกข์แม้แต่ตายเรายังจะยอมตายเหตุได้ทุกข์เราจะยอมทุกข์เพื่อการงานที่ชอบทำนี้ไม่ได้คืออุบายวิธีการอบรมหรือสักซ้อมตนเองโต้อตอบระหว่างกิเลสกับธรรมภายในตัวเราเองไม่อย่างนั้นแพ้ถ้ามีการโต้อตอบคุณเลือก อ, อุบายวิธีการต่างๆการทุกข์อยู่เฉยๆมันก็ทุกข์ การทังสมกิเลสด้วยกิริยาอาการมันก็อุกแต่เราไม่สมใจจึงเข้าใจว่ามันไม่ถูกความจริงมันทุกข์เลยกันทั้งนั้นเมื่อเดืเคลื่อนตัวออกไปจากความเป็นปกติแล้วย่อมทุกข์นี่เราตั้งหน้าตั้งตาประกอบความภาคเพื่อทักษาจากเพราะใจ ไม่มีความปลอดภัยแต่ตัวเองท่าปราศจากการรักษาโดยเหตุนี้เราตีต้องรักษาเพื่อความปลอดภัยของใจติเลสที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่ยอมให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วฝังอยู่ภายในจิตใจก็พยายามชำละกสาศราออกนี่คืองานที่ชอบงานอันแท้จริงของข้าคืองานขุดค้น ทำลายกิเลสทุกประเภทที่สังจมอยู่ภายจิตใจด้วยความภาคเพียรมีสติปัญญาเป็นเครื่องมืออันสำคัญนี่คืองานที่ชอบแพ้ผลที่จะทุนได้รับจากการรักษาจิตด้วยุบายดังกล่าวนี้อย่างน้อย ก, ก็คือความสงบเย็ยนจักยิ่งกว่านั้นก็สงบละเอียดลงไป และเกิดความแยบคายด้วยสติ ด, ด, ด้วยปัญญาคือการค้นคิดการพิจารณาจิต จ, นะจะมีเวลาขยายตัวมีโอกาสขยายตัวก้ามีช่องทางที่จะขยายตัวออกมาให้เห็นความแปลกประหลาดและความอัศจรรย์โดยลำหนัดเมื่อได้เพิกถอนที่เล็ดออกไปไเรื่อยๆเพราะที่เล็ดเป็นผู้ปิดบงังเป็นผู้หุ้มห่อจิต ด, ดวงประเสนนั้นให้มื่นิิตตาไปหมด สามารถที่จะมองเห็นของประเสริฐซึ่งมีอยู่นั้ น, นพราถูกปิดบังไว้อย่างมิดคิดแห่งกิเลสทั้งหลายเวลานี้เป็นเวลาที่เรามารื้อถอนกิเลสทั้งหมดด้วยความเพียรของเราที่ได้รับการศึกษาเห็นมาจากตำหลักตำาโคดีจากครูอาจารย์โคดีนำความรู้หรือคติธรรมต่า ง, า ง, าง ๆ, ๆนี้เข้าไปทําหน้าที่ อดถอนกิเลสประเภทต่างๆให้หมดทิ้นไปจากใจใจจะได้มีความสงบร่มเย็นใจสงบคือใจไม่คิดฟุ้งซ่านลำคลาญกับสิ่งที่เป็นฟืนเป็นไฟทั้งหลายที่เคยเป็นมาคิดก็คิดในแง่อน่ธรรมแม้จะเป็นความคิดเหมือนกันก็ตามแต่ความหมายขอยงความคิดที่เป็นภัยและเป็นคุณนั้นต่างกัน คิดในเนีย้ยทำย่อมเป็นความโลภเอ่เรียกว่าเป็นความคิดที่ถูกตอ็ความคิดในแนก้ผูกมัดในแนียทำลายตนเองเป็นความคิดที่ผิดให้ภาว น, นามัดระหว่างสมอเดินไปไหนก็ดีดูสถานที่ใดก็ดีอย่างน้อยให้มีสติอยู่กับตัวหรือผู้บริกรรมก็ให้รู้กับคำบริกรรมของตัว เวลาบริกรมรมไปนานๆนจนิตมีความละเมอียดแล้วําบริกรรมแทบจะไม่ปรากฏไม่ปรากฏก็ให้เลือดรู้อยู่เป็นคําบริกรรม อ, อีกเช่นนั้นจิตก็ยิ่งจะมีควา ม, ม, มละเอียดเรื่อยไปนิอุบายวิธีการปฏิบปฏิบัติคําจัดวินเลศออกจากใจเป็นสิ่งที่ยากเพราะสิ่งเานี้เคยสังจมอยู่กับจิตใจของเรามาเป็นเวลานาะน จนไม่สามารถจะทราบได้ว่าต้นปลายของวัฏจักรคือวัฏจิตของเรานี้ที่เคยหมุนเวียนมาเพราะอำนาจของกิเลสนานเท่าไหร่ผี่พบผีฆชาติแล้วเราไม่สามารถนับอ่านได้เลยเพราะฉะนั้นการที่จะมาถอดถอนให้ได้อย่ากใจวังในเพียงคลิปกับพลิปตาเดียวเท่านั้นมันเป็นไปไม่ได้หากเป็นไปได้แล้วธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าก็จะทรงสอนว่าธรรมะกับคลิปตาเดียว ไม่จําเป็นต้องมีถึงแปดหมื่นสี่พันระธรรมัาร์ซึ่งเป็นอุบายทั้งนั้นเพื่อแก้จิตใจถึงไม่จําเป็นต้องมีเครื่องมือหลายประเภทอย่างนั้นมีเพียงว่าธรรมะประเภทที่กระพริบตาเดียวยี่เรียกเป็นเสร็จไปเลยเสร็จไปโลกก็ข้ามพ้นจากทุกข์ไปหมดไม่มีใครเหลือตกค้างอยในโลกนี้ แต่นี่วิละเรียดไม่ใช่เป็นของที่จะหักได้ง่ายๆหลับฟันให้ขาดได้อย่างง่ายๆไม่มีวิเรียดตัวใดที่จะไม่เหนียวแน่นเหนียวที่สุดแน่นที่สุดก็คือกิลเดเป็นธรรมชาติที่กลองจิตใจคนให้เคลิบเคลิ้มหลงตามได้ที่สุดก็คือกิเ ไม่ว่าจะเป็นประเภทยาญ่ประเภทกลางประเภทละเอียดของกิเลสหลอกชัดโลกได้อย่างง่ายดายอย่างสบามากเราจะเห็นได้ชัดชัดเช่นความโลภนี่ก็ยามหยากทราบแล้วความโลภมันไม่เป็นไม่ใช่ของดีเรายังพอใจโลกคําว่าพอใจโลกก็คือเชื่อกิเลสเชื่อกิเลสตัวโลกนั่นเอง มันต้องพอใจถ้าไม่พอใจมันก็ต่อสู้กันความพอใจย่อมม่มีทางย่อมมันมีการต่อสู้คล้อยตามความโกรธโกรธให้เขาอยู่ภายในใจิตใจมันก็เป็นไปอยู่แล้วภายในใจัีุดยังสแสดงออกมาทางอาการอีกตาดำตาแดงไปดูรูปรักษณะในขณะที่โกรธเหมือนยักษ์เหมือนผีก็ยังพอใจทำยังเห็นว่าตัวดีถือว่าตัวดี ไม่เชื่อจะทําได้อย่างนั้นหรือคนหรอกไม่เชื่อความกลดความกลบจะยอมสนะตนจนขนาดที่หาคุณค่าไม่ได้คนอื่นดูไม่ได้ตนยังส่องพันว่า ด, ดีอยู่ขนาดนั้นเลยถ้าไม่เชื่อพิเิยก์ก็ข้อความเชื่อพิริ็์นั่นเองโกรธขนาดไหนก็พอใจกอดเห็นดูไม่ได้กันก็พอใจ หลงก็จะไม่มีวันนี่คือมีปีมีเดือนหลงม า, จากจะท้อต้านมันเป็นเครื่องหลอกได้ทั้งนั้นเชื่อมันได้ทั้งนั้นยิ่งยิ่งประเภทละเอียดเข้าไปมันก็หลอกถ้าติปัญญาขั้นละเอียดได้อีกเช่นเดียวกันเพียงขั้นดําๆนี้เราก็เห็นได้กันอย่างชัดๆมันน่าสงสัยแล้วว่ากิเลสมันแหลงขมขนาดไหน ถึงหลอกคนได้ทุกแง่ทุกหมุมไม่มีใครที่จะรู้สึกตัวว่าตัวได้เสียเปรียบกิเลสแล้วนอกจากนักปฏิบัติที่ปักสติปัญญาให้เข้าสู่ธรรมคือใจตั้งหลักไว้ขี่ใจความชิดตรุงต่างๆจะออกไปในแง่ใดแน่ความโลภหรือความโกรธ ค, ความหลงหรือแง่ราคะตัณหาหรือแง่ความ ตรวจความเตียบประการจะแสดงขึ้นมาที่จิตนี้ก่อนอื่นเมื่อเรามีทำเป็นเครื่องเทียบเคียงมีทำเป็นเครื่องทดสอบปือสติปัญญาเป็นเครื่องมือด้วยนี่แล้เราจะทราบความกระรเคพื่อมของจิตนี้ว่าออกไปในแง่ใดในแง่ถิดหรือแง่ถูกถ้งแงกผิดมันก็รู้ทันทีก็ดับไปทพร้องๆกันนะไม่ไม่มีการลุกลามไปได้ถ้าสติตยังมีอยู่แล้วไม่ลุกลามหากห้ามกันได้ แม้จะพอใจคิดไปก็ตามทำเพื่อให้ฝืนคือพืให้หักห้ามพราเราเชื่อทำเราก็หักห้ามมันได้จะทุกข์ยากขนาดไหนก็พอใจในทำหักห้ามที่เลสซึ่งเป็นสิ่งที่เคยพอใจมาแล้วลงได้นะหากไม่เราหากเราไม่มีธรรมเป็นเครื่องทดทดสอบเป็นเครื่องเทียบเทียมแล้วเราจะเชื่อกิเลสบันยังคาคืนยังรุ่งต้านหนอดไปทุกภพทุกชาติหั ทางพ้นจากีิเลดแต่ไม่ได้การแก้กิเลสจิงมมนใช่เป็นของแก้ง่ายะต้องมาใชยหลักธรรมอุบายสติปัญญาเขาแต่คิดติดกันอยู่ตลอดอิยาบทต่างๆเราอย่าเสียดายความคิดความปรุงไปกับรูปเสียงกิ่งรถเครื่องสั้งขัด ซึ่งเคยคิดเคยปรุงเคยสัมผัสสัมพั์มาแล้วตั้งแต่บรรลุจากเดียงสาภาวะมาจนกระทั่งบัดนี้ไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลยควรจะนำสิ่งนที่เคยผ่านมาแล้วนั้นด้วยการสัมผัสต่างๆมาทดสอบบวกลบคูณหารกันดูกับการระมัดระวังรักษาจิตใจด้วยความเข้มแข็งโดยอาศัยหลักธรรมเป็นเครื่องมือรักษาอันใดดีทางดี เราใจของเราสงบจากความฟุ้งซ่านเกี่ยวกับเรื่องโลกเรื่องสงสารได้ชั่วระยะเวลาเท่านั้นเรายังมีรู้สึกมีความสุขมากไม่ใช่น้อยเกิดความตื่นเต้นภายในใจมีความกระยิยิ้มยิ้มย่องขณะที่ปิดมีความสงบตัวลงไปนี่เพียนี่แหละเป็นคุณค่าแห่งธรรมที่พอจะฟัดเหวี่ยงกันได้กับเล็ที่เรา เคยรู้รสชาติมันมาเป็นเวลานานกลับมารู้รสชาติแห่งความสงบเย็นใจเพราะอำนาจการปฏิบัติทั่วขนาดเท่านั้นเทียบเพียงกันเข้าใจกันได้มันมีอะไรบ้างในโลกอันนี้เราตั้งความหวังเพื่ออะไรถามว่าปัญหาตั้งปัญหาถามตัวเอง ถามคนอื่นไม่ได้เรื่องดีไม่ดีทะเลาะกันเปล่าตั้งปัญหาถามตัวเองเพราะคดีที่เกี่ยวข้องกันอยู่ตลอดเวลามันไม่อยู่ที่ใจดวงเดียวระหว่างสมุทัยกับมะจะโต้มาทีหรือรบกันก็รบอยู่ที่จิตจิตเป็นสนามรบรบกันที่นี่สู้กันที่นี่ เราเห็นดาเห็นแดงกันที่นี่เราอย่าหวังเอาชัยชนะอย่าหวังเอาความปรากฏเลื่อนเลยที่ไหนน่าไปจากการรู้เหตุรู้ผลของกิเลสขับธรรมในดวงใจอันเดียวกันนี้โดยทางความเพียรเท่านั้นไม่มีอันใดที่จะตอบสนองเราให้เป็นที่ขึงใจได้มีเป็นตึดสําคัญที่เราจะต้องสนใจใ้มากผมกับเราเป็นนักบวชและนักปฏิบัติเอาลงตรงนี้ ความประเสริฐอยู่ตรงนี้ความเป็นฆ่าศึกและเคยเป็นฆ่าศึกก็อยู่ตรงนี้แก้ก็แก้กันลงที่ตรงนี้ให้ถูกจุดตามหลักปฏจะทาําซึ่งเป็นหลักแห่งความพ้นทุกข์ทุกขังอริยสัจจังทุกเป็นของจริงพระพุทธเจ้าบอกเป็นของจริงแต่ทําไมโลกจริงตัวกันนักหนาเรื่องทุกข์ก็เ<ม>พราะโลกหัวใจมันปลอหมหัวใจของโลกปลอม แล้วความกลัวกันนั่นก็เป็นเรื่องของสมุทยัยจะทําให้ผู้ที่กลัวนั้นเกิดทุกข์เป็ น, น, นลำดัะกลัวมากเท่าไหร่ยิ่งทุกข์มากรัศดโลกก็ไม่ทราบว่าสิ่งนั้นเป็นภัยแต่ตัวเองอีกจึงทุกข์หลายชั้นหลายเชิงมากมายทุกตามหลัก ธ, ธรรมชาติแห่งธาตุแห่งขันก็เป็นทุกข์อันหนึ่งแล้วความกลัวทุกข์จนเสีย อ, อกเสียใจวุ่นวายไปหมดแล้วก็สร้างความทุกข์ขึ้นที่ใจอีกชั้นหนึ ไปทุกทั้งทางกายและทุกทั้งทางใจัหาที่ตรงว่างไม่ได้ทั้งๆ ท, ที่ทุกข์ท่านบอกว่าเป็นของจิตเพราะจิตใจมันปรอง ม, มันหาความจริงจากทุกข์ไม่ได้จึงตั้งเนื้อตั้งตัวต่างคนต่างจริงไม่ได้กระทบกันเรื่อยๆมีแต่ความแพ้อยู่ตออลอดเวลาเรานี่แต่จะทําเนี่ยเป็นแรงแห่งความพ้นทุกข์ นี่อยู่ที่สัจธรรมไม่มีอยู่ในสถานการเวลาใดแต่มีอยู่ในสัจธรรมทุกคั้งอริยจักรจำได้กล่าวแล้วตะกีนี้คือความทุกข์ทางกายทางใจนี่เป็นผลที่เกิดขึ้นจากสมุทยัยสมุทัยคืออะไรด้นผิดทุกหรือธรรมชาติผิดทุกท่านกล่าวไว้เป็นส่วนส่วนใหญ่ว่ากามตัญหาภวตัญหาวิภวตัญหา ในธรรมจักกับโพธิสุตท่านพยายาว่าอย่างความทะยอทะย า, ยยายงอยากในกายกความอยากมีอยากเป็นในแง่ต่างๆจนหาประมาณไม่ได้มนนี่เรียก ว, ว, ว่าเพราะตหาวิภาวะตัณหานี่ความอยากในของไม่มี ยาเท่าไหรมันก็ไม่ได้จริงมันไม่ได้อินเพราะมันเป็นของไม่มีเช่นเกิดแล้วจะไม่ให้ตายความแปรสภาพตลอดเวลาก็อยากให้ยืนยงคงถาวรมันจะยืนยื น, ย, นยงคงถาวรได้อย่างไรถ้าขันทั้งหมดนี้เป็นกองอนิจจังทุกขังหน้าตายอยู่แล้วเราจะบังคับให้มันเป็นได้อย่างไรวิภาวะตถาคตคือความทะเยอทะยานอยากในของไม่มีถึงเวลา จะตายก็ยังไม่อยากตายดิ้นรนกระวนกระวายดิ้นเท่าไรก็ยิ่งเป็นทุกข์เพราะใจของว่าใจพาให้ดิ้น<ม>ก็ยิ่งเป็นทุกข์<ม>นี่แหละถ้าเรียกว่าสมุทยัยแล้วจะเอาอะไรมาระงับดับปันนญญาน ม, มัสเป็นเครื่องมือดับถ้าจะทําทั้งสองประเภทนี้ได้<ม>ทุกข์ท่านบอกว่าเพิ่งกําหนดรู้เท่านั้นไม่เป็นจริงสําคัญอะไรมากนักเลย แต่การกําจัดนี่เป็นของสำคัญคือกําจัดสมูทัยด้วยมากเอาเรียนให้ถึงกันพระพุทธเจ้าสอนทำให้ถึงความจริงเราเรียนทำฟังทำปฏิบัติทำต้องทําให้ถึงความจริงเมื่อถึงความจริงแล้วจะหาความปลองไปไม่ได้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกรปรนี่หมายถึงองค์ปัญญาถ้าเป็นดาบก็เป็นดาบอันคมฆ่าที่สุด ไม่มีอันใดที่จะพักดาบนี้จะตัดไม่ขาดกิเลสประเภทใดเป็นขาดท่านไปเลยเพทสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปัปที่เรียกว่าองค์ปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวาจาก็กล่าวชอบในเรื่องความภาคเพียงในสมณะวาจาสัมมากัมมันตาการงานชอบก็อย่างที่ เราทำกันอยู่การตักขวัตาาิารวัดการทำข้อวัดปฏิบัติการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่คือการงานชอบแต่ขอให้สติ ก, กับปิตมันควบคุมนะะสติกับปัญญามาควบคุมงานนี้จึงจะชอบแต่ทาไป เ, เฉยๆสักแต่ว่าทําก็ไม่ชอบเหมือนกันทําด้วยโมหะนั้นสติจึงเป็นของสำคัญสมากัรมันตะ สัมมาอาชีวะ อ, อย่างยำยาก็บินถังบามาเลี้ยงชีพซึ่งเป็นงานที่ชอบทําของนังบุตินเดียโลเปโลโปรเานัน้นมีข้าวและประจากษ์ประดิษฐยาวจังหวัดข้าโม่กรมีอยู่ตอนะชาทั้งหมดแล้วเธอจังรัดไอเื่อบินถังบาสมาฉันด้วยกําลังปีแกลงของฝนเธอนี้เป็นงานที่ชอบทําที่สุดกับเพศในความเป็นนักบุตรและ ทำความรู้ษาพยานอยนี้ตลอดชีวิตอยากขี้เกียจนะพูดในงานอย่างภาษาเราก็เลยกว่าถ้าไม่ขี้เกียจกินอยากขี้เกียจบินถา้ามาถานนะว่าขนะี้เกียจบินถ้ามาแต่แต่ขยันกินนมันเข้ากันไม่ได้พูดอย่างภาษาของเราว่าสัมมาอิโวขั้นสมาอาชิโ ว, โวอีกขั้นหนึ่งก็คือเลี้ยงดูแลเลี้ยงหล่อเลี้ยงปิดให้ชอบทํา เอานำทำเข้ามาหล่อเลี้ยงจิตออน้ำตติน้ำปัญญาศรัทธาความเพียรเข้ามาหล่อเลี้ยงจิตอย่าให้จิตหิวโหยในอาหารที่ถูกกับมโนธาอย่านำยาพิษเข้ามาทําลายจิตจใจเรียกว่าเลี้ยงจิตชอบทำชีวะความเป็นอยู่จิตพาให้เป็นอยู่เลี้ยงอาหารคือทำโดยชอบทำเพื่อจิตจะได้มี ความเรื่องหนึ่งมันเึิงกัดปรี้ก็เกิดขึ้นม า, เ, า, เ, า, เ, าเพราะแต่อาหารเป็นที่ถูกกับธาตุต้องตหดเองคือมโนธาแยกแยกอันหนึ่งี้สัมมาวายามโมท่านบอกว่าเพียในที่สี่สถานเนี่ยก็เข้าใจายอยู่แล้วเพียงลบบาปทีเ่เกิดขึ้นแล้วในเกิดขึ้นยั ง, งสมกุศลคือความแฉลาดอันหนึ่ง ให้เกิดขึ้นทนางจิตใจเอาก็จะย่อยอย่างนี้เนกะี่ยนอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมนี่เรียกว่าเพียนชอบปุจจนากรรมาฐานเอสาโุมานะะัขาทันตาตะโจดูให้ตลอดทั่วถึงเพียนอยู่ทั่วตรงนี้หนังทัดกําหนดถลกออกมาดูข้างนอกมีแต่ผิวบางๆตื่นกันที่ผิวนี้เข้าข้างใน เยิ่มไปด้วยปุกโลหิตน้ำเน่าน้ำห น, ำ น, ำนอยิ่งเต็มเป็นของปฏิกูลไปหมดน่าเกลียดน่ากลัวคือปาฤฤฤฤฤ่าคือปากช้าผีดิตมันอยู่ในตัวของเราแต่นคนนอกคนนี่แหละความเปลียนชอบดูให้เห็นเหตุเห็นผลในความคิดอันนี้ทําไมจึงเสร็จสรรตั้นยอบันว่าดีนักดีห น, นาเหมือนจะเหาะบินไปไหนไปทั้งที่ม่มีปิดเสกสรรจะนปหาประโยชน์อะไรมันขัดต่อความจริงดูให้มันเห็นตามความจริขงของหมัดสถานที่เกิดที่อยู่เป็นไงสิ่งเ น, นี้ อมันเกิดมาจากที่สกปตกโสมองทั้งนั้นแล้วเวลาอยู่ก็อยู่ด้วยความสกปรกโสมองหาความสะอาดที่ตรงไหน่ในร่างกายพิจารณาอย่างนี้ที่เรียกว่าสัมมาวายมุกสัมมาสติก็ตั้งสติไว้ในสติปัฏฐานสี่นี้ในการพิจารณาเนี่ยตั้งสติไว้ชอบพิจารณาไปตรงไหนในอาการสามสิสองอาการใดก็ตามหรือทั้งหมดทุกอาการก็ตามให้มีสติเป็นผู้ควบคุมงานแต่ทั้งหมดท่าเรียกวสัมมาสติ สมาสมาธิเมื่อเราได้พิจารณาชอบตามธรรมแล้วความสงบก็สงบโดยธรรมสมาธิไม่ได้หลงโลกหลงงคามไปไหนพอสงบแล้วบอกเห่อเดินฟ้าไปเห็นนรกไปเห็นสวรรค์ไปเห็นโน่นไปเห็นนี้ทั้งทั้งที่จิตใจ ย, ยังไม่ถึงไหนเลยมันขายก่อนซื้อแล้ววางแต่มันเห็นนรกสวรรค์มีพานในจิตใจนี้สกอบนั่นไม่เป็นปัญหาอะไร สงบอยู่ภายในใจเพราะใจเป็นผู้ฟุ้งซ่านใจเป็นผู้ก่อทุกข์ใจเป็นผู้กอ่ อ, อความมุ่นววาให้แก่ตัวเองให้สงบลงด้วยธรรมด้วยการภาวมาเมื่อกิจสงบลงแล้วด้วยวิธีนี้ไม่ส่งกระแสออกไปสู่อารมณ์ภายนอกอันเป็นการยุ่ยแย่กับคนตนเองนั่นเรียกว่าสัมมาสมาธินี่ละมากทั้งแป๊นี่ คทัง้งสรุปสรเข้ามาได้เดียวศีล ส, สมาธิปัญญาเนี่ยลงอยู่ที่นี่นี่คือเครื่องแก้ที่เละเป็นถัตธรรมคือความจริงประเภทหนึ่งนี่โรดแล้วก็มีปัญหาอะไรมากนะขอให้เราดําเนินเรื่องมรรคปฏิปทานี่ให้พอตัวเถอะนี่โรดคือความดับทุกข์ก็เช่นเดียวกันกับการรับทานอาหารการรับทานอาหารก็เหมือนกับการองเห็นมาก รัพาลงไปรับตามไปความอิ่มหนําท่านานก็ป่ากดขึ้นโดยลาดับไอความหิวหงอยก็ดับลงไปดับไปอย่างนั้นมันเป็นเรื่องมันเอง mm. เราไม่จําเป็นจะต้องไปสร้างนิโรธขึ้นมาให้สร้างมากไม่ให้พอตัวนิโรธพึงทําให้แจ้งพึงทําให้แจ้งด้วยอะไรถ้าให้พึงทําให้แจ้งด้วยมรรคคือศีลสมาธิปะะัญญาหรือด้วยมรรคแปดนเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นที่จะทําให้โรธให้แจ้งได้เ mm. พียงจะ ไปสร้างนิรุตให้แจ้งวันยังค่ำก็าตายิ้งเระปัๆคืนยังรุ่งตาทิ้งเปล่าๆทิ้งเปล่าไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าไม่สร้างมรคให้มีกําลังอบรมมรคให้มีกําลังมรคนี่เป็นของสําคัญชมูทยเป็นของสําคัญเพียงไรมรคมีความสําคัญเท่า น, านั้นเนี่ยเราจะทำทั้งสีนี้มีสําคัญอยู่ที่เกี่ยวข้องกับเราจะต้องได้ตั้งน้าต่งตางๆทําจริงๆก็คือชมูทยกับมรค ส่วนทุกข์มันเป็นผลที่เกิดขึ้นจากคนมือไทยเป็นทุกทางใจส่วนทุกข์ทางการนั้นพระพุทธเจ้าสาวกก็มีเพราะท่านไม่ใช่คนตายแตย่อมมีความทุกข์แต่ท่านไม่ทุกข์เหล่านี้ไม่สามารถกระตุ้นเทือนถ้าจิตของท่านได้ใจของพระสาว ก, าวกาทั้งหลายก็เหมือนกันรู้ตามเป็นจริงของมันอย่างนั้นนีค่คือการปฏิบัติเพื่อมรรคผล น, นิพพาน เพื่อฆ่ากิเลสถ้าดำเนินอยู่เช่นนี้เราอยู่ที่ไหนก็เป็นการต่อสู้กับกิเลสอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะได้เห็นกิเลสหมอบราบให้เราดูสักทีส่วนมากมีแต่เราหมอบราบกับกิเลสเดินจะงกมก็ยังหมอกราบกับกิเลสนั่งสมาิก็หมอกราบกับกิเลสท่าความเผสติเป็นของทั้งสองอาการหนึ่งความเพียดที่แสดงทุกท่ามีแต่ท่ามหมอบ กราบิเลสทั้งนั้นเพราะความเผลอสติความใจลอยความไม่ตั้งยู่ใ น, นหลักทำแห่งการธรนักกิเลสแห่งการแก้กิเลสแห่งการปราบปรามกิเลสกิเลสจึ ง, งมีอำนาจกดคอลงได้ทุกอาการแหงความเพียรให้คุณเข้าใจอย่างนี้ทาให้ใช้สติปัญญาสอดแทรก ให้รู้เรื่องของกิเลสแล้วจะไม่รู้ก่เลสมันสวมลอยตลอดเลยอะตลอดเวลาเรียนให้จบสัจธรรมสัจธรรมมีอยู่ที่กายที่ใจใเท่านั้น mm hmm. เรียนจบที่นี่แล้วไม่ต้องหาเรื่องวรรคเสอืจ mm hmm. นิพพานไม่ต้องไปหาหาทําไมนิพพานคืออะไรนิพพานก็เป็นชื่ออันหนึ่งธรรมาชาติที่ให้ชื่อว่านิพพานนั่นคืออะไรอืกิเลสก็เป็นชื่ออันหนึ่ง ธรรมชาติที่เราให้ชื่อวะขี้เล็ดนั้นมันคืออะไรนั่นก็อยู่ที่หัวใจเรานิด้วยกันทั้งสองอย่างคือขี้เล็ดก็อยู่ที่ใจนิพานก็คือใจที่บริสุทธิ์หมดจากขี้เล็ดแล้วเท่านั้นอืท่าอุปเทศที่เสศนิพานก็ได้นิพานแล้วตั้งแต่ที่ธาตุขันธ์หนึ่งครองตัวหลีนคืออนุปาทิเสศนิพานแท้อันเกิดเป็นผลสืบเนื่องมาจากยงไม่ทดสอบเราจะหาทางออกไม่ได้นะ และตายไยิ่งเปล่าเปล่าไม่เกิดประโยชน์อะไรอเอาแค่นี้ไก่อนท่า น, นบัญญาตอธิบายม่วน